สิกขาบทที่สองกิุูนีอธิษฐานอากาละจีวอนเป็นกาละจีวอนแล้วให้แจกกันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังให้แจกกันต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อให้แจกกันเสร็จแล้วต้องนิสัเคียปาจิตตี